มัน่านหมันกล่องไม่รูงมาสล่านดีอย่งเงี้ยมันเบื่อมันอ่านเยกรรมมนุษย์โร่โซ่โซ่โซมยเหมนี่ยคือธรรมะโม่ไ่รับได้แสงยังเด้อมันไม่ได้เกี่ยวกับลรื่องะไรการคูตธรรมะต้องใช้สมุดเนี่ยกำลังก็เป็นสมลงนกําำลังถาดกาลังขัน นี่พลังของใจออกมากเป็นสมมติ อ, นนนอนนันนึ่งที่ใครมัร่งพลังอันนมันถมก็ถิ่นว่านี่ดูที่ได้ที่ตรงนี้มัน แ, นนแนน่งเกิดมืด พกตัวไปอ่ะไม่จบเรื่องเลยอ่ะยิ่งแต่ได้ทุกวันน้องอืมท่านคุณอาจจะต้องมาชี้ช่วงให้แสงเพื่อโรงเรียนผมก็ให้ผาเรื่องกระถินแตโรงเรียนผมก็นอกขดเรื่องแสงกใส่แบบผ้าขงหลั เขาจะท่องกระถึงนลยอ่ะอ่างตรงเลี่ยนท่ไปแล้วอยพานกรถึ่ทางออกอีกทางเลียนออกนี่ก็เป็นยับเยินแข็งอย่างนี้เช็ของอ่า้วอ่างวกเขาไม่ยวมเียนอมหกะถึงลเ็ขนห้กระบวกไม่ปรมั ความหนึ่งแสนกล่องแปดแล้วบวกกคุณจะายวกเกา ข้งก็เคยก่อนข้างดื่อมออกกลางเนี่ยผมเก็บกระดาษอย่างนี้ปาไปล้วข้าวทิวทิวอย่างข้างกลางเรื่องยุ่งเถื่อนบางทีหลายวันหนึงดำๆไปทีเพื่องานเราก็ยุ่งเลยสุขภาพเพียรบูย คนกำลังหาที่พึ่งกันพึ่งโลกกขาไว้ใจไม่ได้มีแต่กวนบ้านกินเมืองเห็นเจ็บปากเจ็บท้องเห็นเจ็บตัวทำลายส่วนรวมแล้วพร้องกับทำลายตัวเองลงัโดยไม่รู้สึกยิ่นหาทิ้นหาทาหาความสงบเย็นใจเข้าไปในงานกนะ็ คนสุดลิตก็เหมือน ก, กับถูกทับถูกทุมถูกบีบถูกบี้นั่นแหละเพราะอันนี้มันมากต่อมากความสซกโปกโสมมมีอยู่ทุกหย่อมยา้าเวลานี้มันอับเป็นขึ้นกับใจของสัตว์โลกเองเวลานี้กำลังของฝ่ายต่างมันแผ่อำนาจทุกหัวใจดิ่มไปตามมัน ขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสิ่งกับสิ่งตัางสามทั้งหลายอยู่ภายในใจให้รู้เรื่องของมันเลยพร้อมทงการขับไล่มันออกได้โดยลำดับที่จะเด่นที่สุดในสามโลกประทานนี้ก็คือว่าไล่มันออกจากใจเสียให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภาในใจเลยแล้วจึงมาเทียบดูกับ ความเป็นอยู่ของตัวเองและความเป็นอยู่ของคนรละสัตว์ตัวใดก็ตามไปเี่มันเห็นได้ชัดเจนมันน่าทุเลขน่าสลดสังเวชน่ะเพราะไม่รู้มันเข้าเป็นตัวของตัวเหมือนอย่างที่แทรกซึมตยูเนี้แมันเหมือนกันเลยไม่ผิดกันนะ น, นี่ข้างนอกะแาเนี่ยแทรกซึมข้างในมันเป็นเหมือนกันกับข้างนอก ไม่ผิดกันสวมรอยกันสวมรอยกันเข้าไปเลยอย่างนั้นเนี่ยข้างนอกก็เอาศาสนาเป็นโลสวมรอยกันเข้าไปทําลายศาสนาอาศาสนาเป็นโลแล้วก็ทำลายศาสนาไปในตัวข้างในนี่ก็เหมือนกันเอาทำเป็นโลเพราะความโง่ของเรามันไม่ทันความฉลาดของสิ่งนี้มันจึงแทรกสืบสวนมันเหยียบ สวมลอยไปสวมลอยไปทั้งทัๆตีเยน็นก็กรอบความภาคเพียงเพื่อจะชำระตะปราบปรามมันให้สินส้นซากไปเรากลับจะสินส้นซากไปจะแล้วเพราะโอนุบายวิธีไม่ทันมันนี่ที่ทำให้มันทั้งฉลกดังเลือดอะไรก็อะไรแล้วก็อย่างยิ่มงมือเพื่อนมาอยู่ด้วยทําไมจิ้ไม่มีวี่แววสอนก็สอนเกินไม่เกินเหมือนสอนลง เต็มสติกำลังความสามารถของผมทุกแง่ทุกมุมนะทั้งฝ่ายเหตุก็ทษวลงจนไม่มีอะไรเหลือฝ่ายผลก็เปิดให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีปิดไม่มีปิดบังลี้ลับอะไรเลยเพื่อให้เป็นกำลังใจทั้งสองเห็นโทษก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงโทษอย่างถึงใจเห็นคุณก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดง คุณอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแต่แล้วมันก็ไม่ถึงใจจะทำยังไงภาวนาก็ไม่ได้เรื่ม้รล่วอะไรข่าวกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะต้องออกชีวิตใ จ, ใจเข้าว่าทุกทรมานขนาดไหนก็ไม่ถอยสำคัญที่สติปัญญาเหนียวแน่น อันนี้สําคัญมากประโยคพยายามปียาอาการต่างๆไม่สําคัญยิ่งกว่าประโยคพยายามภายในคือสติกับปัญญาอันนี้สําคัญมากทีเดียวมันแทรกมันซึมอยู่ทุกอาการเคลื่อนไหวของจิตเราไม่รู้มันเฉยๆมันแทรกมันแซง บางอย่างบางที่มันมันเป็นอันเดียวกันหมึกกับใจเลยเมื่อไหว่าทำไปเมไหร่ทำกใกล้คิดไม่ได้มีแต่นิดเตะออกยันออกทําลายทําออกความเพียรพอเริ่มขึ้นมันก็เตะล่มไปมันทําลายล่มไปเราก็ไม่รู้ยังถือเป็นความสบายเหมือนกับกล่องไปอีกด้วย ที่ยาแห่งการเตะของมันไม่รู้จักเจ็บปวดแสบร้อนมันจะให้ทั้งให้เผอให้ขี้เกียดอ่อนแอให้โลเลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจเมอมองไม่มีสติสต่างเรานี้ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบมั น, นั่นสิแล้วออก้าสุดท้ายกะ ให้มันให้คะแนนอีกให้มันท่วยตําหนิทําอีกแหละศาสนาเน้น้อยกว่าเราทำไงก็ต้องพยายามทําไปเนี่จะให้ได้อย่างนู้นเรือใจได้ยังไงค่อยทําไปอะไรที่จะต่ําอะไรที่จะตัดกําลังความพาคเพียรลงต่ลงมากจะเอาอันนั้นมาใช้มาใช้นั่นแหละคืออุบายของมันอีก ขนาดนั้นนะย่อไปตรงไหนมีแต่เรื่องอุบายของกิเลสเราไม่รู้ทันมันเลยนี่สิทำไงเวลาห้ามหันกันกันลงไปลงไปค่อยรู้ไปรู้ไปรู้ไปจนกระทั่งกิเลสประเภทตออับยาชนิดหลอกยาบหยาก็หมดไปหมดไป สติปัญญาไปฟื้นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาขนาดกิเลสมันหมอบเหมือนกับไม่มีอะไรเหลือหรือฟังใจเลยนั่นก็คือความแยบคาของกิเลสอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันมันหมอบอะไรมันหลบเหล็กเรามันหลบหมัดเราใช่ไหมมันหมอบมันยอมเราถ้ายอมก็หมอบลงให้เราตีขาดกับบ้านประทานทีนี่มันไม่ใครเห็นไง มันหลบมันซ่อนมันอะไรไม่เห็นตัวมันก็คุยเขี่ยขุดคน้นไปนานไปเจอทีเอากันะจนสุดท้ายเขามาเจอตัวกษัตริย์วัตจักรมันเข้าก็ายังหงายท้องให้มันเหยียบเอาแหลกกระจายแหลกแตกกระจายไม่รู้สติปัญญาขั้นขนาด น, นั้นยังหงอยนอนหงายท้องให้มัน ขึเ้เยียบเอาได้ก็น้อยงายท้องมันที่ไปเจอเข้าไปแล้วยังว่าเป็นของดบของดีของวิเศษวิโสของอัศจรรย์จอมวัตจักระมันไม่รู้ขนาดนั้นนะทันท่อง ส, สติปัญญามันเพียงมันไกลถ้าสมมติว่าจออเข้าไปในขนาดนั้นมันกระแลกไปเลยแต่มันไม่ยอมจอเพราะคนว่าของเรายังไม่ทันกับอันนั้นอันนั้นมันเหลือกว่พิจารณาสิมัน มันละเอียดขนาดไหนแล้ทั้งมันทงันทงทลายลางไปหมดแล้วจะมาเห็นโทษทีหลังโอ้โห โ, โหมันก็เหมือนกองขี้ควายกองหนึ่งนั่นเอ๊งมันมีคุณค่าอะไรทําไมาเป็นหลงขนาดนี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นวัตถุชั้นว่าถุอัศจรรย์โดยหลักธรรมชาติแล้วกับธรรมชาติอันนี้อันนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนกองขี้ควาย เป็นมูลสดมูลแห้งไปเรายังกปติก ม, มันอย่างถนัดนะดูสิตอนที่ยังไม่ไม่มีคู่แข่งคู่แข่งกันคู่เทียบเทียงกันคือหลักธรรมชาติอันประเสริฐ ย, ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอันนี้ปิดบังไว้มันก่อมมาสักจนได้บ้างไง พ, นพนันโนพันนอ ส, มสามารถวังรักษา วตัวมีสติสตั้งว่าตัวเพียงไกาเพียงไกาตายอะไรมันเพียงไการักษากองขี้ควายต่างหากเห็นก่องขี้ควายว่า เ, เป็นเพชรเป็นพลอยไปได้นะ <c oughs> นี่่ะหนละมีว่ามันมันละเลอียดขนาดนั้นแ่ะนั่นถึงได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกอเมือ่อ ถูกทำลายลงไปจนแหลกแลอยัาไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเราจริงๆเห็นโทษของมันว่าขนาดไหนเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่ไม่มีโทษมีแต่คุณค่ามาหาศาลโดยแต่เดียวเท่านั้นแล้วมันกลายเป็นขนาดไหนอันนี้เอาเรื่องความทุกข์ออามาเทีย่ยวกันความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียนของพวกเรานี่กับความทุกข์พวกความพิเศษนั้น อันใดจะมีน้ำหนักมากกว่ากันทำไมจึงต้องสละความทุกยอมรับทำไมจึงต้องมาเห็นความทุกข์นี้ว่าเป็นของลำบากลำบนให้พ่อถอยไปได้ไม่กลับไปเห็นว่าความทุกข์เพราะประกอบความปเปลเปลี่นเพื่อความพิเศษโดยหลักธรรมชาติดังกล่าวว่าเป็นของสําคัญว่าเป็นของที่เราจะควรเทิดทูนแม้กิวิย์กิจใจก็มอบได้ เพาความเปลี่ยนประเภทนีทไมมันไม่มันคิดขึ้นมาได้ถ้าไม่ถ้าถูกกลอมจากธรรมชาติอันนี้นี่ก็เป็นธรรมชาตินี่กล่อมเองนั่นเองถ้าสมมุติว่าเราได้มองเห็นธรรมชาติที่ยิ่มุดบุ ด, ดพ้นของท่านมาอยู่ต่อหน้าเราสมมติเรามองเห็นได้อย่างนี้ความทุกข์ที่จะพุ่งใส่ธรรมชาติแัน่นั้นนั้นอ่ะตามันก็ไม่เคยเืีอดายี้ยงอย่นี้ มีแต่กําลังของจิตที่จะพุ่งพุ่งพุ่งแต่หลักธรรมชาตินั้นลืมทุกไปหมดทุกขนาดไหนเพราะความปฏิกิริยาจิตจะให้เห็นธจะให้ถึงธรรมชาติมันไม่ได้สนใจนี่ทํามันได้เห็นหนึ่งอันกำลังใจมันจะต้องพุ่ ง, งนี่เลยที่ว่าความเพลียนไม่รู้จักเป็นจักตายอยังไม่เห็นอะไยังเป็นสมมติว่ามีท่านผู้ที่ คือสิ่งที่เป็นไปได้ น, นะเมื่อเรามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งอมาให้เราเห็นนีน่นาเห็นไหมว่ามันนอนกอดกองทุกบอเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละกองทุกเพราะยิ่งหลีดวางยาผิดไว้ตางหาไม่ใช่กองทุกเพื่อเป็นปุ๋ยที่จะสนับสนุนให้ถิ่มะพรุนนี้ผ่านไป น, นอนกอดอที่ทาไมถ้านม่ เสร็จเนืมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทุกกันนี้มันก็ทุกเหมือนโลกโรคทั่วไปนั่นถ้าเรายังไม่พลิกแปลงแปลงเปลี่ยนแปล ง, ปลงความทุกข์นี้ไปเป็นอื่นในความจากความรู้สึกของเรานี้ไปเป็นอื่นเราก็จะจมอยู่ในความเพียนนี้ตลอดไปโนในกินเลสประเภานี้ตลอดไปมันจะพลิกตัวไม่ได้ ตัวกิเลสเราจะมีมากมีน้อยมีเลี่ยดขนาดไหนมันก็เป็นขวกเป็นน้ําเป็นเสี้ยนอันละเอยดะเอียดเป็นผงเข้าตาอยู่นั้นเนี่ยตาก็ละเอียดผงก็ละเอียดแล้วก็ความเจ็บของมันก็แสดงเห็นอย่งนั้นเนี่ยยึดมันเป็ของละเอียดขนาดไหนทกิเลดละเอียดก็เหมือนผงเข้าตามันมีความฝุ่นที่ไหนทาไม่เอาซะออกจนทเจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้ว นั่นแหละจึงจะสบายจริงมันหมดความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างมดเอาเลยสามโลกธาตุไม่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจได้เลยเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองความหวังทั้งมวลที่เคยเป็นมาหวังอะไรต่ออะไรอะไรมันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องที่ออกจากเชื่อว่าตะจากนี้มันทางทลาเดิม พึ่งอะไรไม่พึ่งอะไรไม่หมายทั้งนั้นแหละหนูว่าพอตัวทำไมพอมันก็ต้องหมายพึ่งนั่นพึ่งนีน้นี่มันสบายขนาดไหนความทุกข์มากน้อยเพราะความภักเพียนกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาหนุนตัวท่องเราใหด้ดูพ้นได้เป็นความทุกข์ที่น่าภูมิใจสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปภูมิใจในความ สะดวกสบายเพราะความทอแทอ่อนเอนั่นเลยจะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นสวนขาโตพากกว่าตาถมเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี่เลยไม่มีการสถานที่เป็นความจริงตลอดเวลาที่ทรงแสดงไว้แล้วขอจะให้ดำเนินตามนั้นเถอะ หนึงมผลนิพพานก็รออยู่ตลอดเวลาเึ่นเดียวกันกับทางสายที่ดำเนินไปโดยส่วคารธรรมนี่จะไม่เป็นอื่นมองประเจ้เห็นแต่กิเลส อ, อยากย่ำทำลายทั้งเตะทั้งถีบทั้งตกทั้งต่อยพิษแปรพิไปพิงมามีแต่ เสียท่ากิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถ้าหลอกปอกเปิกทั้งในท่าความเพียรทั้งในท่าอยธรรมดาถ้ามีท่าใดจนแค่กิเลส น, นี่จะท่าแค่ท่าทางที่แพ่กิเลสทั้งนั้นถูกกิเลสตกต่อยมันเป็นขนาดนั้นนะเด่นตั ว, วเราไม่รู้เลยอาการความเป็นอยู่ของเราอาการใดก็ต่างเป็นอาการที่ถูกกิเลสตกต่ อ, อยตลอดเวลาเราไม่รู้ เรียนให้รู้สิคําพูดคํานี้จะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วจะยอมรับคาพูดคํานี้จะพูดผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามสมมติอย่างผมตายไปแล้วก็ตามคําพูดในจะคําพูดชนี้จะสดสดร้อนรขึ้นมากับท่านเท่าไรเข้าไปเจอของจริงเขาอย่างคริว่านี่มันจะไม่สดไม่ร้อนอยังไงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไปนิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าลงได้เจอธรรมชาติที่พระเจ้าทรงพบทรงเห็นที่เด็ดเด็จะรูนั้นแล้วนี่ปัญหาอะไรกับพระเจ้าไปนิพพานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนั้นนั้นคือความจริงเด่นอยู่ในหัวใจคนตัวเเเอแล้วป็นนาาการ และประกอบด้วยการสถาที่ที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ที่กล่าวมานี่ก้ ส, สรนร้อนแ ท, ะ ท, ะทะ้ๆเพรานั้นนี่วัตถุมันเหยียบย่ำทําลายเข้ามาล้มโลก ล, ง ล, งลง้มองศาเมอนั่นเป็นเรื่องของวัตถจักรเท่งนั้นนะ พิวัตจักรมันจะไม่มีในหัวใจนะถ้าไม่ระมัดรวงให้ ม, มากกุดข้อด่วนเข้ามาวงปฏิบัติถูกทำลายด้วยโลกรรมทำให้เขาสิงใจได้ อันนี้ปลูกอันนี้ก็นหน่อยนั่นนะไม่ได่นานเนาะมือคนนั้นก็ยกซูนท่องท่องขึ้นปลูกเพรามันเหนือ่อยมาโดยลำดับลำดับให้จะเย็บจะตัดอะไรก็ให้เย็บให้ตัดกันเสื้ อ, อยาพัมพ่มพร่มเพื่อเพื่ออย่างเย็บเวลาเย็บตัดก็ยาใช้เสียง อ, อึกกระเหลือเฮฮเป็นเรื่องของคนขี้เล่าเมออยายาอยู่ในวงของภาพปฏิบัติดูไม่ได้เลย ทอะไรให้ทำยาผูกฉขนน้ำบาน้ำชากับมั น, นแล้วามาส่งเสียนที่คือโคมแบบคนดื่มตายทำตัวเป็นผู้เห็นภัยตลอดเวลาอันนี้มาเพียงเยียวยาทัดขันทั่วการเวลาเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นเรื่องสัมพันธ์อะไรยิยย่งกว่าความเพียงที่เป็นอยู่ภายในตัวใจผู้จะทำตัวให้คนจาบตกต้องเห็นภัยตลอดเวลาเห็นภัยในความพังเผยของตัวนั้นแหละ จะไปเห็นภัยกับผู้หนึ่งผู้ใดจะไปเห็นโทษกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่เหมือนความเห็นโทษของตัวเองการเห็นโทษของตัวเองนี้เป็นสิ่งที่จะแก้ไขให้ถึงจุดที่ดีเด่นได้การเห็นโทษผู้อื่นเป็นสิงทีเพิ่มโทษขึ้นมาถ้าไม่ระมัดระวังจิิงเพิ่มโทษขึ้นม า, า, มม า, มนมาตัวเองก็เลยมงหนไปด้วยเกิดความขัดข้องมองใจไปด้วยนี่ก็เพราะความรู้ธรรมไม่เท่าทันนั่นเอง อยู่ด้วยกันดูด้วยความเป็นธรรมอยากคิดนั่นคิดนีน้เป็นโทษเป็ น, นก่อนคินกันในกันแบบดูมองกันในแง่ดีแง่ร้ายไม่ใช่แง่ธรรมนง่ร้ายคือเป็นแง่ของกิเลสเป็นรวดลายของกิเลสการแสดงออกของกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมให้ระมัดระวังผู้ปฏิบัติต้องเลงเข็มทิศทางเดินทางธรรมโดยสม่ำเสมออย่าเอียง ดูหัวใจแล้วเรานัเนี่ยตัวบกพร่องอยู่ตรงนั้นดูอะไรก็สู้ดูหัวใจเราไม่ได้เราบกพร่องรู้ตัวทันทีแล้วแก้ไขสรุปใจคนอื่นบกพร่องมองไปเห็นไม่ทําให้เกิดธรรมะขึ้นมานอกจากจะเพิ่มกิเลสขึ้นมาเพราะเขาไม่พอใจแต่เราเห็นความบกพร่องของเรานี้เราพอใจที่จะแก้แล้วเราไม่โกรธไม่เคียดแค้นให้เรานอกจากนี้ พยายามแก้ไขตัวเองไปทุกวักทุกตอนเท่านั้นของดีมีอยู่ในวงปฏิบัติของดีมีอยู่ในาศาสนาธรรมของวิเศษมีอยู่ภายในใจทําไมจึงให้แต่ของไม่เป็นท่าเหยียบย่ำทำลายหัวใจกี่ตลดเวลามันเป็นของดีหรือหรอสำหรั บ, บนักปฏิบัติไม่สมควรอย่างนี้เหนืยอยออนแล้ววันนี้นะพุทโธนั่ง มันเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าลรือเป็นยังไง ม, มันจะชันนิดหน่อยเลย